ช่วงสุญญากาศของชีวิตคือช่วงเวลาที่คุณเบือ่อไม่แคร์ว่าจะต้องทำอะไรไม่แคร์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคล้ายมีเงาดำเข้าครอบงำให้เกิดความคิดว่าฉันเบือ่อฉันเซ็งฉันไม่สนฉันไม่อยากแคร์อะไรแล้วยิ่งปล่อยใจตามอารมณ์เบื่อมากขึ้นเท่าใดความฟุ้งซ่านเก็บกดยิ่งหนาแน่นขึ้นเท่านั้นคุณอาจหงุดหงิดเต็มแรงกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง แต่กลับเฉย ช, ชาเอเื่อยเฉยกับเรื่องที่จำเป็นทุกภาวะอารมณ์มันเป็นลบเป็นประโยชน์เป็นเครื่องออกกำลังสติได้เสมอตั้งมุมมองไว้แบบนักเจริญสติเห็นความเบื่อเป็นแค่ภาวะที่เกิดจากเหตุเชนไม่ได้อย่างใจไม่ได้หลุดจากวงจรเสง่ยประจำวันไม่ประสบความสำเร็จให้ได้คึกคักอย่างที่หวังหรือกระทั่งอะไรตื่น ประเภทซึมตามอากาศซึมๆจากนั้นมีแก่ใจสังเกตต่อเช่นเปลี่ยนเหตุใหม่หายใจยาวขึ้นดีกรีความเบื่อมันต่างไปได้ไหมคุณจะพบว่าลมหายใจต่างไปความเบื่อก็แปลกหน้าแปลกตาต่างกันกลายเป็นสีสันของความทุกข์ภายในไม่เหมือนเดิมไปเรื่อยๆ ฝึกหายใจยาวให้เป็นลากยาวแช่มช้ารู้สึกถึงความสดชื่นนุ่มนวลที่เข้ามาเต็มปอดและสังเกตลมหายใจสั้นเรื่อยแม้ความอึดอัดแม้ความคับอกบอก็สังเกตให้ออกยอมรับตามที่มันเป็นให้ได้เมื่อรู้สึกว่าเดี๋ยวลมก็ยาวเดี๋ยวลมก็สั้นจากนั้นหันมารู้สึกถึงปริมาณความเบือ่อ